ชีวประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเสนอตอนที่29พิจารณากายจนทะลุจับมหาโจรภายในและจิตสว่างสวยัยหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้ให้อวาาธรรมเอาไว้ว่า ป่าไม้กับป่าคนต่างกันป่าไม้ชุ่มเย็นเข้าไปในร่มไม้แล้วรู้สึกชุ่มเย็นดีป่านาทึบเท่าไหร่ยิ่งเย็นยิ่งดียิ่งสบายแต่คนมากเท่าไหร่นาทึบเท่าไหร่ยิ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ในมนุษย์ทั้งหมดมีแต่เรื่องแต่ราวเรายึดครูบาอาจารย์เป็นประเภทหนึ่งเวลาท่านจากไปก็รู้สึกว้าเว แล้วยึดคำพุโทโธธมโมสังโฆอยู่ภายในใจิตใจนี้เป็นสิ่งที่อบอุ่นอยู่ตลอดไปให้พี่น้องทั้งหลายได้อุตสาหพยายามอย่าตื่นโลกตื่นสงสารตาของเรามันเคยตื่นกับรูปกับสีแสงมามากต่อมากแล้วเป็นประโยชน์อะไรนอกจากกอบโกยเอาอารมณ์ต่างๆที่ได้เห็นได้ยินนั้นเข้ามาเผาตัวเองให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนไม่มีจบสิ้นสักทีเท่านั้น ก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรฉะนั้นให้เอาทำเข้าเป็นเครื่องระลึกภายในจิตใจของเราการสร้างคุณงามความดีนี้นอกจากสนับสนุนให้เรามีความสุขความเจริญในภพชาตินั้นๆแล้วยังตัดพบตัดชาติให้หมดให้ย่นเข้ามาแม้จะยืดยาวไกลแสนไกลขนาดไหนก็ตามก็ค่อยหดร่นเข้ามาด้วยอานาจแห่งความดีจนกระทั่งถึงความแน่นอนคือสําเร็จเป็นพระโสดา จะตายเกิดอีกเพียงเจชาติเท่านั้นแล้วรับรองยืนยันในคุณธรรมนั้นได้เลยไม่ตกนรกในเจชาตินั้นอย่างอ่อนอย่างกลางก็มาเกิดอีกสามชาติอย่างอุกฤษเกิดชาติเดียวหรืออีกประการหนึ่งเกิดในชาตินั้นแล้วได้สําเร็จมรรคผลนิพพานขึ้นในชาตินั้นจงกลายเป็นวาระสุดท้ายในชาติเดียวนั้นก็ได้ หลวงตามหาบุญนะสัมปันโนได้เล่าชีวประวัติของท่านในขณะที่พิจารณาธรรมจนกายทะลุเอาไว้อีกว่าตอนที่เราพิจารณาอสุภะกรรมฐานสำคัญมากจริงๆพิจารณาอสุภนี้มันคล่องแคล่วแกล้ามองดู อ, อะไรทะลุไปหมดไม่ว่าจะหญิงจะชายจะหนุ่มสาวขนาดไหนพูดตามความจริงที่จิตมันกล้าหาญคือไม่ต้องให้มีผู้หญิงเท่าๆแจ๋แล ให้มีแต่ผู้หญิงสาวๆเต็มอยู่ในชุมชนนั้นเราก็สามารถเดินบุกเข้าไปในที่นั่นได้โดยไม่มีราคะตัณหาอันใดแสดงขึ้นมาได้เลยมองดูคนมีแต่หนังห่อกระดูมีแต่เนื้อหนังแดงโร่ไปหมดมันเห็นความสวยงามที่ไหนเพราะอำนาจของอสุภะกรรมฐานมันแรงมองดูรูปไหนมันก็เป็นแบบนั้นหมดแล้วมันจะเอาความสวยความงามมาจากไหนขอให้กำลับยินดีเพราะฉะนั้นมันจึงกล้าเดินบุก ในความกล้านี้ไม่ถูกกับจุดที่จิตเอ็นตัวในขั้นการมราคะจึงได้ตําหนิตัวเองเมื่อจิตผ่านไปแล้วความกล้านี้มันก็บ้าอันหนึ่งแต่ก็ถูกในการดําเนินเพราะต้องดําเนินอย่างนั้นเหมือนการตําหนิอาหารในเวลาอิ่มแล้วนั่นแหลจะผิดหรือถูกก็เข้าในทํานองนี้การพิจารณาอสุภะอสุพังการมราคะพิจารณาไปจนกระทั่งว่าราคะนี้ไม่ปรากฏเลย ค, ยค่อยๆหมดไป และหมดไปเอาเฉยๆไม่ได้บอกเหตุบอกผลบอกการบอกเวลาบอกสถานที่จึงต้องมาวินิจฉัยกันอีกคือจิตมันยังไม่ยอมรับทีนี้ก็หาอุบายพลิกใหม่ว่าราคะนี้มันสิ้นไปจนไม่มีอะไรเหลือนั้นมันสิ้นไปในขณะใดด้วยอุบายใดทำไมไม่แสดงบอกให้ชัดเจนจึงพิจารณาพลิกอสุภะที่มีแต่ร่างกระดูกนั้นเอาหนังห่มห่อให้สวยให้งาม นี่เราบังคับนะไม่งั้นมันทะลุไปทางอสุภะทันทีเพราะมันชำนาญมากจึงบังคับให้หนังหุ้มกระดูกให้สวยให้งามแล้วนำเข้ามาติดแนบกับตัวเองนี่วิธีการพิจารณาของเราเดินจงกรมก็ให้ความสวยความงามติดแนบกับตัวไปมาอยู่อย่างนั้นเอา้ามันจะกินเวลานานสักเท่าไหร่หากิเลสมันยังมีอยู่มันจะต้องแสดงขึ้นมาหากิเลสไม่มี ก็ให้มันรู้ว่าไม่มีเอาวิธีการนี้มาปฏิบัติสี่วันเต็มๆนี่มันไม่แสดงความกำลัดยินดีออกมาเลยทั้งๆที่รูปนี้สวยงามที่สุดมันก็ไม่แสดงมันคอยแต่จะยังเข้าหนังหอกระดูแต่เราบังคับไว้ให้จิตอยู่ที่ผิวหนังนี่พอถึงคืนที่สี่น้ำตาร่วงออกมาจิตบอกว่ายอมแล้วไม่เอาคือมันไม่ยินดีนะมันบอกว่ายอมแล้ว ด้านทดสอบก็ว่ายอมอะไรถ้ายอมว่าสิ้นกิเลนก็ให้รู้ว่าสิ้นสิยอมอย่างนี้ไม่เอายอมชนิดนี้มีเล่เหลี่ยมเราไม่เอากําหนดไปกําหนดทุกแง่ทุกมุมแง่ไหนมุมใดที่มันจะเกิดความกําหนัดยินดีเพื่อจะรู้ว่าความกําหนัดยินดีนั้นมันจะเกิดขึ้นขณะใดเราจะจับเอาตัวแสดงออกมาเป็นเครื่องพิจารณาถอดถอนต่อไปพอสักสามถึงสี่ทุ่มลุ่มไปแล้ว เป็นลักษณะเหมือนจะกำหนดในรูป ส, สวยๆงามๆที่เรากำหนดติดแนบกับตัวเป็นประจำในระยะนั้นสติตามทันเพราะสติมีอยู่ตลอดเวลากำหนดเสริมขึ้นเรื่อยๆนั้นมันมีลักษณะยุบยับเห็นไหมจับเจ้าตัวโจรหลบซ่อนได้แล้วทีนี้มันสิ้นกิเลสยังไงถ้าสิ้นทำไมจริงต้องเป็นอย่างนี้กำหนดขึ้นกำหนดขึ้นคือว่าคำว่ายุบยับนั้นเป็นแต่เพียงอาการของจิตแสดงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ทําให้อวัยวะไหวนะมันเป็นอยู่ภายในจิตทีนี้ต้องปฏิบัติด้วยอุบายใหม่โดยวิธีสับเปลี่ยนกันทั้งนี้เพราะทางไม่เคยเดินสิ่งไม่เคยรู้จึงลําบากต่อการปฏิบัติอยู่มากพอเรากําหนดเป็นกองกระดูบไปทางอสุภาษนี้สุภาษมันก็ดับพรึบทีเดียวมันดับเร็วที่สุดเพราะความชํานาญทางอสุภาษมาแล้วจากนั้นต้องกําหนดสุภาษความสวยงามขึ้นมาแทนที่สับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนั้น ต้องทดสอบเป็นเวลานานด้วยวิธีต่างๆจนเป็นที่แน่ใจจึงจะตัดสินใจลงทางใดทางหนึ่งได้ในวาระสุดท้ายเวลาจะได้เห็นความจริงจิต ก, กำหนดอสุภะไว้ตั้งอยู่ของที่อย่างนั้นไม่ให้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดจะเป็นหนังห่อกระดูหรือว่าหนังออกหมดเหลือแต่กองกระดูก็ให้มันอยู่ตรงหน้านั้นแล้วจิตเพ่งดู ด้วยความมีสติจดจอ่ออยากรู้อยากเห็นความจริงจากอสุภาษนั้นว่ามันจะเคลื่อนหรือเปลี่ยนตัวไปทางไหนมาไหนคือเพ่นยังไงก็อยู่อย่างนั้นละเพราะความชํานาญของกิตไม่ทําลายมันก็ไม่ทําถ้ากําหนดทําลายมันก็ทําลายให้พังทลายไปในทันทีนะเพราะความเร็วของปัญญาแต่นี่เราไม่ให้ทําลายให้ตั้งอยู่ตรงหน้านั้นเพื่อการฝึกซ้อมทดสอบกันหาความจริงอันเป็นที่แน่ใจ พอกำหนดจิตเข้าไปเข้าไปอสุภะที่ตั้งอยู่ตรงหน้านั้นมันถูกจิตเกริ่นเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาหาจิต ด, ดวงนี้สุดท้ายจึงรู้เห็นว่าเป็นจิตเสเองที่เป็นตัวสุภะและอสุภะจิต ก, ก็ปล่อยวางทันทีนี่มันเป็นเรื่องของจิตต่างหากไปวาดภาพหลอกให้ตื่นเงาตัวเองอันนั้นเขาไม่ใช่ราคะไม่ใช่โทสะไม่ใช่โมหะ ตัวจิตนี่ต่างหากเป็นตัวราคะโทสะโมหะพอจิตรู้เรื่องนี้ชัดเจนแล้วจิตก็ถอนตัวออกมาสู่ภายในพอจิตแยกออกไปมันก็รู้ว่าตัวนี้ออกไปแสดงต่างหากภาพอสุภะนั้นมันจึงปรากฏอยู่ในจิตโดยเฉพาะกำหนดพิจารณาอยู่ภายในจิตความกำหนัดแบบโลกโลกหายไปหมดสิ้นแล้วต่อจากนั้นมาก็เป็นภาพปรากฏอยู่ภายในจิตก็กำหนดอยู่ภายในนั้นพอกำหนดอยู่ภายใน มันก็ทราบชัดอีกว่าภาพภายในนี้เกิดจากจิตพอกำเนิดขึ้นมาเป็นภาพมันก็ดับไปเหมือนไปแลบนั่นเองจะขยายให้มันเป็นสุภาษอสุภาะอะไรไม่ได้เพราะความรวดเร็วของความเกิดดับเมื่อเข้าใจตัวนี้ชัดแล้วจึงไม่มีปัญหาอะไรมันเข้าใจทันทีและปล่อยวางภายนอกโดยสิ้นเชิงหลังจากภาพภายในดับไปหมดแล้วจิตก็ว่างว่างไปหมดว่างตลอดเวลา ให้มีอะไรเข้าผ่านในจิตเลยกำหนดดูอะไรก็ว่างไปหมดมองดูต้นไม้ภูเขาตึกรามบ้านช่องก็เป็นเพียงร่างๆเป็นเงาๆแต่ส่วนใหญ่ที่จิตนี้มันทะลุไปหมดถึงกับอุทานภายในใจว่าโอ้โหจิตนี้สว่างถึงขนาดนี้เชียวนาถึงมันจะว่างอย่างนั้นมันก็ปรุงภาพเป็นเครื่องฝึกซ้อมอยู่เหมือนกันเราจะปรุงภาพใดก็แล้วแต่หรือเป็นเครื่องฝึกซ้อมจิตใจให้มีความช่ำชองเข้าไป อปรุงขึ้นแยกมันก็ว่างพร้อมๆไปหมดตอนที่จิตว่างเต็มที่ความรู้อันนี้จะเด่นเต็มที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันรู้รอบหมดแล้วมันปล่อยของมันหมดไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ความรู้อันเดียวมีความปฏิพัตมันมีความสัมผัสสัมพันสอ้อยอิงอยู่อย่างละเอียดสุขุมมากยากจะอธิบายให้ตรงกับความจริงได้มันมีความดูดดื่มอยู่กับความรู้อันนี้อย่างเดียว พออาการใดๆเกิดขึ้นพับมันก็ดับพร้อมสติปัญญาขั้นนี้ในครั้งพุทธกาลท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาแต่สมัยเราทุกวันนี้ไม่อาจเอื้อมพูดเราพูดเพียงว่าสติปัญญาอัตโนมัติก็พอตัวแล้วกับเราที่ใช้อยู่ไม่จําเป็นจะต้องให้ชื่อให้นามสูงไปกว่านั้นมันก็ไม่พ้นจากความจริงซึ่งเป็นอยู่นี้เลยจิต ด, ดวงนี้ถึงได้เด่นความเด่นอันนี้ มันทำให้สว่างไปหมดตอนนั้นจิตของเรามันสว่างสวยัยคนบ้าอัศจรรย์ตัวเองร่างกายเรามองดูพอเห็นมันเป็นรางๆเป็นเงาๆเพราะความรู้ทะลุไปหมดสว่างไปหมดเลยก็อัศจรรย์ละสิเราถึงว่าอัศจรรย์บ้าวันนั้นเป็นวันจะฉันจังหันหลังจากอดอาหารมาได้สามวันพันศาที่สิบเป็นวันเดือนสามข้างแรมไม่ได้บินถบาท ท่านพระจัน์รกมาจิรปุญโยท่านอนุญาตให้ชาวบ้านมาใสายบาทภายในวัดทุกๆวันพระพอได้อารณุณแล้วเราก็ออกจากกุฏิไปเดินจงกรมทางด้านทิศตะวันตกจนกระทั่งถึงเวลาบิทธบาดได้รำพึงขึ้นมาว่าเอกิจนี้ทำไมอัศจรรย์นั่งหนานะมันสว่างสวยเอามากนี่ถ้าพราะแม่ครูจย์มั่นยังอยู่กิตตวิชาดวงสว่างสว มันจะพังทลายขาดสะบั้นลงไปตั้งแต่ระยะนั้นอย่างแน่นอนนี่ก็เพราะอุบายเราไม่ทันไม่นำยังติดยังยึดมั่นเข้าเสียอีก